พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งรอยเอ็ดลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28ดพฤศจิกายน2559ห้ามีชื่อเรื่องว่าช่างทองเดินทางไกลวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบด แล้วก็วันพุ่งนี้เป็นวันที่29เป็นวันพระนะคณับนักสัตาธิโยมเป็นวันอุโบสถของพระด้วยเป็นวันสิ้นเดือนสิ้นเดือนพฤศจิกายยนสิ้นเดือน12เดือน12ดับวันพุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเพะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านถึงวันสําคัญวันพระแปดคาสิบห้าคำถือว่าเป็นวัน ทำมัทสวนณะเป็นวันปฏิบัติธรรมพวกเราพุทธศาสนิกชนควรจะให้ความใส่ใจสนใจเหมือนกับวันอาทิตย์่วันอาทิตย์พวกศา ส, าสนาิกเท่าให้ความสำคัญแต่พุทธศาสนาให้ความสำคัญ8ดคำสิบห้าคำ และก็วันพุ่งนี้เป็นวันสิบห้าขาเป็นวันเดือนดับเขาขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านถือวันแล้วก็ให้เตือนตนนะพยายามเตือนตวนบอกตนถ้าหาว่าพวกเราไม่บอกไม่กล่าวไม่เตื่นตัววันไหนก็วันเก่ามาก็อเลยไม่ให้ความสำคัญไปเฉลยก็ไม่ดีนะไม่ให้ความสำคัญเฉลยก็ไม่ดีแต่ตามไม่จริง แต่ถามว่าพวกเราถือเลือกงามยามดีเกินไปอันนั้นก็อีกเป็นส่วนหนึ่งถือเลือกงามยามดีวันนั้นดีวันนี้ฟูอันนั้นเป็นเป็น เ, เป็นศาสนาพราหมณ์ไปไม่ใช่พุทธนะแต่บอกพุทธเนี่ยทําดีเวลาใดเดือนใดเดือนปีใดวันนั้นดี เ, เพราะขณะนั้นดีเวลานั้นดีแต่ถึงยังไงก็ตาม ถ้าหากว่าเราไม่ได้ถือวันเสาวันไม่ได้ถือวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำจุดนั้นก็ใคล้าๆมันจะล่อยหลอไปเรื่อยๆผลที่สุดถ้าทําดีไปเรื่อยๆมันก็ดีอแต่ตอนี้มันไม่ได้ทําดีไปทุกวันนะจีเจเอ่ผลที่สุดก็เลยล่อยหลอไปเรื่อยแต่ถ้าหาว่าพวกเราเออแปดค่านะะพวกเราควรจะมีสีนะ่ห้านะแปดค่าเนื่องว่าสิบห้าค่ำ เดือนหนึ่งสักสองครั้งกลางเดือนปลายเดือนน่าจะมีรักษาสินห้าควรจะมีสินห้าให้แข่งครัดแต่วันอื่นๆก็ไม่ว่าละหลุดๆหล่นหล่นไปบ้างแต่วันสำคัญอย่างนี้เราควรจะให้เข่งเข้มงวดกวดขานขึ้นอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นจิตจจลักษณะเป็นสัจจะในจิตใจของพวกเราส่วนหนึ่ง แต่ตามไม่จริงในครั้งพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นวันธรรมสวัสดิเนี่ยสมัยนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ท่านประทับอยู่ที่วัดเปาเวทุกวันในกรุงแขวงราชคือนะพระเจ้าพิมพิสารเขาเข้ามากราบเพราะท่านพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นพระโสดาบัญแล้วนะในฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้สําเร็จพระโสดาบัญ ท่านก็มากราบมาไหว้พระพุทธองค์ในศาสนาอื่นในยุคสมัยนั้นเขาก็วันนั้นเป็นวันสําคัญวันนี้เป็นวันสําคัญของเขาเพราะว่าแต่ละศาสนาของเขาเขาก็เจ็ดแต่สุดแทสุดแท้แต่คณาจารย์จะเป็นผู้กําหนดแต่ที่พระเจ้าพิมพิสารเขาพระพุทธศาสนายัางไม่มีวันกําหนดก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ขอเป็นวันสําคัญในทางพุทธศาสนาองค์จะทรงอนุญาตไหมพ ร, พระเจ้าพระเจ้าพิมพ์พิสานก็เลยกําหนดวันแปดค่าสิบห้าค่ำขอพรจากพระพุทธเจ้าขอพงค์ประทานพงค์ก้อนนะยินดีประทานพรให้กับพระเจ้าพิมพิสารอนุญาตอนุญาตให้พระเจ้าพิมพ์พิสารประกาศตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นม า, พ, าพุทธศาสนาก็เลยยึด ถือแปดค่าเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันฟังธรรมแล้วกว่าสิบห้าค่ำเป็นวันฟังธรรมในในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่หรวพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังนี่ก็ให้เตือนตนให้เตือนตนว่าเป็นวันสําคัญแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมและก็พร้อมกันชีวิตของพวกเรา ในหลักของพุทธศาสนาแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราเนี่ยบอกกล่าวอย่าตั้งอยู่ในความประมาท เ, เออชีวิตของพวกเราเออแต่ถ้าอิบมองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับว่าพระพุทธศาสนาเนี่เอาความตายมาขู่กันเอาความทุกข์มาขู่กันเอาความตายมาขู่กันแต่ถ้าเรามองอีกในมุมหนึ่งก็ไม่ใช่ ถึงจะขู่แล้วไม่ขู่ทังจะบอกหรือไม่ดอกบอกชีวิตของพวกเราก็มีจุดจบอย่างเก่าไม่มีอะไรแปลกแตกต่างที่จะพูดหรือไม่พูดแต่ว่าถ้าพูดกล่าวเตือนกันไว้ดีกว่าอในหลักของพุทธศาสนานพระพุทธเจ้าเตือนกันไว้ดีกว่าเพราะว่าถึงยังไงถึงจะจุดจบก็เถอะแต่เตือนกันบอกกล่าวกันไว้เหมือนกับเขาฝึกหัด ซ้อมกันเอาไว้ว่าเวลาไฟไหม้บ้านพวกเราเป็น เ, เป็นผู้จะประจนภัยประจนเพลิงนะ่ะเราควรจะทำยังไงให้ใครบอกเขาก็ฝึกซ้อมเอาไว้เหมือนกันถ้าเป็นรถ ด, ดับเพลิงนี่นเขาวิธีการดับเขาทำยังไงทั้งที่ไฟยังไม่ไหม้นะแล้วเวลาไฟไหม้บ้านเขาจะทำยังไงเขาเตรียมพร้อมยังไง เรื่องว่าเวลาคนตกน้ำํำเราจะทํำยังไงเร่องเวลามีการจราจรในสนามบินเราจะทํายังไงเนี่ยหลวงพ่อเขามาวันหลวงพอ่อตกใจเหมือนกันนะอยู่ในเมืองอุดอรนะบุ บ, บวันวุนวันเขาวิ่งเอามันเรื่องอะไรวะที่ไหนเขาบอกเขาฝึกซออ้อมฝึกซ้อมไว้ว่าถ้ามีจราจรแบบนี้มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในสนามบินของเรา เราจะทำยังไงเนี่ยเขามาฝึกซ้อมมาฝึกสอนกันเนี่ยนี้ก็เหมือนกันถ้าฝึกซ้อมไว้ดีกว่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายว่าอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าดูก่อนอานอนท์เธอร ะ, ะลึกถึงความตายวันละ ก, กี่ครั้งวันละร้อยครั้งโดยประมาณพระเจ้าข่าพระองค์ว่าอานอนท์ตั้งอยู่ในความประมาทถ้าแล้วเธอระลึกถึงลมหายใจเข้าทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละ เธอจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันนี้ก็คือพระองค์ท่านสอนภาษาวกท่านยกพระอานนท์เป็นตัวอย่างเพราะนั้นให้พระองค์ก็อย่างที่ว่ซ้อมเอาไว้สอบซ้อมเอาไว้ในเมื่อถึงคราวนัดมาถึงเราก็จะวิ่งเข้ามาหาตัวของเราเองพอมันมีปัญหาขึ้นมาเกิดเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องยก ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจของเราเออแต่ก่อนเราเห็นแต่คนอื่นแต่ปัจจุบัมาถึงคราวของเราแล้ว เ, ออเราควรปฏิบัติตนอย่างไรจากนั้นก่อนอะ่ะไม่ต้องวิตกกังวลออการรักษาร่างกายเป็นหน้าที่ของคนอื่นเขานะเรอาอกดวิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจแล้วะนี่กำหนดดูใจอย่างเดียวนะออใจของเรานึกคิดเรื่องอะไร่นี่นะตัวนั้นสำคัญที่ ถ้าว่าเราอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานอยู่ในสมาบัติหรือว่าอยู่ในสมาธิความสงบนิ่ง เ, เมื่อเราตายในขณะที่จิตใจของเราอยู่ในความสงบนั่นแหละพรมเป็นที่ไปอะไรต้ถ้าว่าเราเราลึกถึงบุญกุศลที่พวกเราได้กระทำเอาไว้ในรักษาศีลในภาวนาและลึกจิตใจไปในทางกุศลจิตใจของเราก็โน้มนาวไปทางกุศลไปสู่สวรรค์ แต่ถ้าเอาว่าพวกเราในขนาที่ใจของเราป่วยขึ้นมาเห็นอันนี้จังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาบิเช่ตัวตนของเราโอ้ถึงเราจะเกิดมาภพนาชาตนาเราก็ไม่เว้นเรื่องความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้เราจะเกิดมากี่พบกี่ชาติเราก็ต้องเจออย่างนี้จากนั้นจิตใจของเราโน้มน้าวไปทางเห็นทุกขงนนังเห็นอั น, นิ้จังเห็นอนัตตา เ อ, อปล่อยวางในจิตใจไม่ยึดมั่นถือมัน่นนั่นแหละ อ, ออาจจะเป็นได้สำเร็จเ อ, อเป็นพระอาหารหันได้ง่ายๆก็ได้ในช่วงนั้นเ อ, อแต่ที่ยังไงก็พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วเพราะชีวิตของพวกเราไม่ว่าท่านผู้ใดขนาดหลวงพ่อพูดอยู่เดี่ยวนี้ก็เถอะนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็คือออกมาจากในใจของหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อใจ อยู่ในโลกไม่ถึงร้อยปี เ, ยเดี๋ยวนี้เท่าไรเปียดเจ็ดกว่าปีถึงแปดสบ้าสิปีเป็นไงคนอยู่ในสภาพแปดเก้าสิปีเป็นยังไงคงความช่วยตนเองควรความช่วยเหลือตนเองการพรยุงตนเองการจะ ก, ก้าวเปินไปเดินไปนักสถานที่ใดก็ลำบากไปเรื่อยๆเพื่ออะไรเพราะร่างกายทุกพลภาพเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะในหลักของพุทธศาสนาท่าน อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเออให้หบังสั่งสมบุญกุศลไว้เนออย่างน้อยออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วก็ให้ไปอยู่ในสุคติสุคติสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งได้ไปพักพักผ่อนอยู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วไปเป็นพรมก็ยังดีจากนั้นลมมาเกิดถ้าไม่พ้นทุกในชาตินี้พระสีอรยะเมตหตรใจลงมาตัด เ, เราก็มองดูโอ้พระสีอ่านลงไป ตรดแล้วพวกเราจะได้ลงไปบําเพ็ญร่วมกับท่านและข่าวนี่นะก็ะลงมาในศาสนาของพระเสียะเมตรตรจากนั้นก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านเราก็จะได้พ้นทุกกันอันนั้นเราคิดไปในอนาคตคือเราประกอบคุณงามความดีเอาไว้แต่เคาว่าพวกเราไม่ได้คิดว่าตายตายแล้วเกิดนะคิดว่าตายแล้วศูนย์อ น, นันโอเออมันไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนะ แต่ว่าเราต้องศึกษานะจุดนี้ต้องศึกษาต้องปลูกศรัทธาวไว้ก่อนเชื่อเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อในครูบาอาจารย์อย่างองหลวงตานะที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราศึกษาในพระธรรมเทศนาของท่านนะท่านบอกแล้วบอกอีกกล่าวแล้วกล่าวอีกตายแล้วไม่สูนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่ให้เกิดนะคือตัวผู้รู้คือใจนั่นแหละ แต่ร่างกายของเราเนี่ยถึงสภาพแล้วมันหมดไปจริงๆมันไม่อยู่นานนะแต่ว่าบางยุคถึงขั้นก็นานเหมือนกันนะ อ, อย่างพระศรีอริยเมตรไยเห็นว่าอายุของคนในสมัยพระศรีอริยเมต ร, รัเอาอยุยืนถึงหก0 0 0่นปีถ้าพูดเราพวกเราฟังๆดูก็ไม่น่าเชื่อนะแต่ตามไม่จริงท่านตำราท่านก็พูดไว้อย่างนั้นนะแต่ตามไม่จริงก็ ในศาสนาของ พ, พระพุทธเจ้าของเราอายุร้อปีเป็นอายุไขแต่พระพุทธเจ้าของเราอายุ80ปีเป็นอายุไขแต่บางครั้งภาษาพระอย่างพระพร ะ, พระพุทธเจ้ากัดสป่าเนี่ยก่อนพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้ากัดสปะอายุสอง0 0ื่ปีเป็นอายุไขอันนี้ก็คือแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกันแต่ถึงอย่างไรเอาเถอะนะเราก็ฟังเอาไว้ เพราะเราไม่ได้เยอะเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นถึงจะเกิดมาอายุยืนขนาดไหนก็อยู่ในกฎอันนี้จังทุกขังอนาตานั่นนะ่ะเกิดมาเท่าไรก็ตายเท่านั้นแหละยืนขนาดก็ตายเกิดมาเร็วกว่าตายเกิดมายืนก็ตายตายมันทุกไหมมันทุกเอมันทุกก่อนที่จะตายอันนี้จังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกอสิ่งไหนเป็น สิ่งไหนเป็นทุกข์เราจะไปยึดว่าเป็นตัวตนของเราได้ยังไงเราจะไปยึดทุกข์ไหนเราจะไปยึดทุกข์ได้ยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือธรรมะธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วนะมันเข้ามาสู่ใจทั้งหมดนะคณะ ร, ราษฎรญาติโยมเออนี่แหละถึงคราวควับคับขันมาอย่างไรอทุกอยากลําบากคับขันยังไง เราจะไปนเน่งจะไปทิ้งที่อื่นนะอย่าไปตกวิตกวิตกตกกังวลอย่าไปทกเ อ, อเราต้องมองไว้ก่อนเลยแหละโลกอันนี้โลกอันนี้จังเนะี่ยเกิดมาเท่าไหร่ปล่อยวางทิ้งทั้งหมดไม่มีใครที่จะเอาไปด้วยได้อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราที่นั่นะท่านรับผิดชอบขนาดไหนเ อ, อท่านช่วยเหลือประเทศชาติมาอย่างไรท่างรักประเทศชาติผลที่ถุตพระองค์ท่านก็ต้องปล่อยวาง พระพุทธเจ้าองเหมือนกันพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเหาะเหินเดินฟ้าได้อีกดำดินปินบนไอีกแสดงฤทธิ์ได้บุญบารมีบุญหนักสักใหญ่ขนาดนั้นพระพุองค์ก็ยังอายุ80ปีพระองค์ก็ละขันตปรินิพานอย่างองค์หลวงตาของพวกเราอีกเหมือนกันหลวงตาของเราคนนีนะ้เป็นที่รักเคารพของพวกเราท่านทั้งหลายแสดงธรรมเทศนา อบรมพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมท่านเรานึกย้อนหลังไปแล้วก็ลงตาเป็นผู้ห้าวหาญเป็นผู้มีบุญหนักศักใหญ่แต่ผลี่สุดพระ อ, องค์องค์ลงตาท่านก็ต้องลามืออีกเหมือนกันเพราะน่าอนนี้จังแล้วพวกเราเป็นใครพวกเราท่้นเถิพวกเราเป็นใครจะไม่ไปอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอีกไม่น่าจะใช่พวกเราจะต้องเดินตามหลังท่านไปเรื่อย ก่อนที่จะเดินตามหลังท่านไปเรามีสเสบียงในกระเป๋าของเราด้วยอย่างกระเบียบจะเบียงที่เป็นที่อุ่นใจนะดูในกระเป๋าของเรามีหรืออย่างถ้าว่าพวกเรามีสเสบียงยังไม่เป็นที่อุ่นใจพวกเราควรจ ะ, สะแสวงหาน ะ, สะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพื่อเอาสเสบียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าถึงยังไงเราก็ต้องเด้กไปไปข้างหน้าแน่นอน ไม่เป็นอย่างอื่นไม่เอาความไม่ใช่เอาความตายมาคูกันเอาความจริงมาแนะนำกันเหมือนกับให้ซ้อมรบไว้เตรียมพร้อมไว้นะเออถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นพวกเราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นเลยเ อ, เอ่ไม่ใช่มาถึงวันแล้วยังค่อยมาบอกมากล่าวกันมันไม่ทันนะเอออย่างในช่างหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังในช่างทองอยู่ที่กรุงสาวัถี ลูกของเขามีหลายคนลูกชายเละไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเกิดความพะรบนับถือเรื่องใส่แต่นี่มาชวนพ่อพ่อให้พ่อพ่ อ, พ อ, พอไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าโอ้ท่านแสดงธรรมหน้าฟังลึกซึ้งนะพ่อเนีเ่ยเลยสูย้จะไปก็ไปสะข้าไปไม่ได้หรอกข้ายังกิจทําการทํางานยังจุกในล้านทองถ้าสู้เจ้าไปละใครจะเป็นคนขายสินขายของละ่ะ ข้าไม่ไปหรอกไปไปซะสูจ้าจะไปส่วนเท่าไหร่ก็ไม่ไปเพราะในที่สุดลูกชายไปฟังธรรมเทศนาท้าว่าปล่อยให้พ่ออยู่อย่างนี้พ่อคงจะตายฟรีเนี่อเราก็ไม่ใช่ว่าอภิชาตตะบูติจรเป็นทั้งทีไปได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วซึ้งในใจแล้วก็น่าจะให้พ่อไปฟังแต่พ่อไม่ยอมไปจะเอาอย่างไงนาะ เขาก็คิดกันพอคิดกันเรไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าข้านะขอพระองค์โปรดไปเออฉันพัทหารที่บ้านของข้าพระองค์ด้วยเท่านพระเจ้าข้าพนระองค์จะพงศทรงเมตตาเนปะ็นพระองค์ก่อนที่พระองค์จะไป น, นสถานที่ใดท่านก็เพ่งมองดูไปแล้วว่าเ อ, อใครจะได้รับมรรครับผลในการไปในคราวนี้ครั้งนี้นะ ท่านก็มองเห็นโอ้ตระกูลนี้เขาจะได้เป็นพระโสดาบันเขามีอุปนิสัยอยู่แต่ว่ากิเลสมันปิดบังกั้นก้ากากัา้นเขาอยู่เขามองไม่เห็นแต่เราควรจะไปไปแสดงธรรมให้เขาฟังจากนั้นพระองค์ก็รับนิมนต์กับชายหนุ่มลูกชายเจ้าของร้านทองจะทั้งพองค์ก็ไปพอพอไปเขาก็ถวายปัะถารพระพองค์ก็ไปฉันกับพระสงฆ์พอฉันเสร็จแล้ว นายจะทํำยังไงได้ดนะ้าเต้าแก่ร้านทองเต้าแก่ใหญ่ขนาดพระพุทธเจ้าไปที่บ้านแล้วไม่มาใกล้ได้ยังไงใช่ไหมเออเขาก็ต้องมามาพร้อมกับลูกๆเขาๆทีนี้พอมานั่งพระพรทโธงก็ถามมาดูก่อนนายช่างทองเธอจะได้เดินทางไกลนะโยมจะได้เดินทางไกลนะและเตรียมได้เตรียมสเสบียงเดินทางไว้หรือยังแล้วจะไปพักที่ไหนได้คิดไว้หรือเปล่านะ ได้คิดไว้หรือเปล่าโยมจะได้เดินทางไกลนะเพราะนั้นให้เตรียมพร้อมไว้นะ เ, เครื่องเครื่องทัพสัมภาระจะเบี่ยงจะเบี่ยงเดินทางอาหารกระเป๋าล่มรองเท้าเสื้อผ้าได้เตรียมไว้เลยอยากถ้าไม่ได้เตรียมไว้นะโยมจะลำบากนะโยมจะได้รับความทุกข์ลาบากนะเพราะให้เตรียมพร้อม เตรียมพร้อมในการเดินทางนะออพอโยมจะเท่าแก่ล้านทองได้ยินเทอนะสะดุ้งโยงเลยโอ้ชาตเราไม่ได้คิดไว้ก่อนในเรื่องนี้เ อ, อจากนั้นโปง่งพอพระองค์พอกลับไปเขาก็ได้ฟังธรรมเทศนาจนไปที่ซึงใจเขาได้สําเร็จพระโสดาบันะเ อ, อแต่นี่ก็พวกลูกๆทานายก็ได้สําเร็จพระโสดาบันกับมากมายในช่วงนั้นอีก พระพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนีท่านเตือนท่านกล่าวเอาไว้ความหมายก็คืออะไรความหมายก็คือยอโยมจะได้ตายนะต่อไปภายภาคหน้านะได้เตรียมบุญกุศลไว้หรือ ย, ยังลักษณะอย่างนั้นละ่ะเ อ, อเตรียมสเสบียงเดินทางก็ยังบุญของเราพร้อมหรือ ย, ยังถ้ายังไม่พร้อมเตรียมพร้อมนะจะได้เดินทางแน่ๆ น, นะ เ, เตรียมสเสบียงเดินทางเอาไว้ถ้าได้ จะเบี่ยงเดินทางแล้วนั่นแนะมีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วจะไปนัดสถานที่ใดมีแต่ความสุขถ้าหาว่าไม่มีสเสี่ยงเดินทางเนะี่ยทุกนะจะไปพักที่ไหนจะไปพักในมนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติหรือพรมสมบัตินะถ้ า, าว่าเราไม่มีที่พักเป็นผู้เลื่อนลอยอไม่รู้จะไปพักที่ไหนเผล อ, อ, อ, อๆกันเนีไปตกนรกหมกไหมไปอีก นี่แหะอันนี้แหละสิ่งเหล่านี้พปกองเคยสอนมาแล้วนะคณะนะสตาหยา่ายมพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพปกรงเคยเตือนมาแล้วสอนมาแล้วนะในพระธรรมในพระไตรปิฎกท่านตรัสอย่างนงั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงได้นํามาบอกกล่าวพวกเราทุกๆ ท, ท่านเนอะสตาหย่าจมทุกคนเนะอะจะตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้ ว, ลวตอนน่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรละพ